มงกุฎไพรเล่มหนึ่งตอนที่181ทุกคนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับเสียงโวกว่าของบุญคำเพราะแกเอตโตโรลั่นอยู่ภายใต้ผ้าพลาสติกคลุมฝนที่ทั้งหมดเข้าไปซุกรวมตัวกันอยู่ทั้งหมดฝ่ายนายจ้างถามมาแซดว่าอะไรเป็นอะไรเพราะไม่รู้เรื่องแม้กระทั่งคริสเองผู้ให้เบลนอนงอตัวหนุนตักอยู่ในขณะนี้เนื่องจากหล่อนก็นั่งหันหลังให้บุญคำ ไม่อาจสังเกตเห็นอะไรทางด้านหลังได้รพินจุปากลั่นอย่างสุดที่จะรุมคาญใจอะไรนะบุญคำวุ่นวายซะจริงโทนายเกือบจุกเชียวนะนี่สีโครงเหิวๆของบุญคำก็ปลายบูดแข็งๆนะ่ะแมม่เบลเห็นสีข้างไอ้คำเป็นลูกฟุตบอลไปซะแล้วดีดได้ดีดเอาตาคำร้องฟ้องมาเสียงสูงอย่างหัวฟัดหัวเวียงเอื้อมมือจะควานหาเท้าข้างนั้นให้ได้อีก แต่เบลหดนี้ไปเสร็จแล้วบอกปนหัวเราออกมาว่าก็มีอย่างหรืออยู่ไม่อยู่ก็ล่วงเข้ามาถึงโคนขาฉันจะกระจี้เส้นขามันก็เลยกระตุกออกไปนะสิก็แม่มถีบสิโครงบุญคำก่อนน่ะเสียงแกดังอย่างชนฉุนขึ้นอีกในลักษณะทุ่มเถียงทะเละก็ร้องเพลงอะไรไม่รู้คันหูพิลึกวะก็ไอ้คำร้องเพลงให้ไอ้พวกนี้มันขยับเข้ามาใกล้ มันหนักอะไรแมม่เบลด้วยล่ะพอหายเจ็บหายไข้ข้อ ย, ยังชั่วขึ้นมาได้ก็ทักทายไอ้คำด้วยบาทาทีเดียวนะน่ารักเสียจริงๆแมม่เบลนี่ขอโทษขอโทษนะบุญคำฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆแม่ผมแดงรีบบอกมาในขณะที่รัพพินก็บอกให้แกหุบปากสิทีเชิญวุฒกับพวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายพากันหัวเราะขึ้นด้วยความขันคิดกับสตนลีย์ บนอะไรพึมพำอย่างรู้สึกรำคาญเช่นกันส่วนคริสติน่าเขย่าตัวเบลผู้นั่งนอนผ้าตักหล่อนเบาๆดุด้วยเสียงต่ำเบาให้แม่เพื่อนสาวยุติการตอแยอะไรกับตาเท่าซิทีในภาวะเช่นนี้แล้วดึงตัวเบลให้ลุกขึ้นจากตักบุญคำค้อนควักในความมืดบนปลอดแปดอยู่เช่นนั้นมาเงียบกริบหูปากลงได้พร้อมทั้งยิ้มออกเมื่อเบลผู้ลุกขึ้นจากตักคริส โอบแขนไปคล้องคอแกไว้ดึงเข้ามาจุบที่แก้มเหี่ยวๆตอบตอบของแกโดยแรงครั้งหนึ่งอย่ากโกรธฉันเลยนะบุญคำฉันทราบซึ้งในเพลงที่บุญคำร้องเมื่อกี้นี่เหลือเกินอะไรนะขยับขยิกขยับในร้องใหม่ซิฟังเข้าทีดีนี่ไม่ร้องแล้วแกตะวัดแวดเบาๆปนหัวรอคืนร้องอีกคราวนี้คงเท้านายรพิน คงไม่ใช่เท้าของแม่มเวลรอกแล้วแม่มก็ถอยห่างบุญคำออกไปหน่อยดีกว่าเพราะเท้าของนายทหารเชิดวุดกับนายคิดอาจจะช่วยกันยันมาด้านสองเท้าก็ได้ได้ยินตาเท่าเอ่ยชื่อถึงตนคิดผู้ฟังภา ษ, ษาไทยได้น้อยที่สุดในคณะก็ชะโ ง, งกหน้าเข้าไปถามระพินผู้นั่งขยี้ปลายจมูกอยู่ใกล้ๆว่า hey, เฮลิงแกของนายเอ่ยอะไรถึงฉันอย่าไปสนใจเลยคิด บุญคำบอกว่านายอยู่ตรงไหนถึงนั่งเงียบไม่พูดอะไรมั่งเลยแล้วรพินก็ออกคำสั่งให้มือขวาเท่าจอมแก่นของเขาพระจากตำแหน่งที่อยู่ในขณะนี้เพื่อให้มานั่งข้างๆเขาบุญคำจึงครานแทรกเบียดคนอื่นๆที่นั่งแออัดกันอยู่เข้าไปนั่งอยู่ข้างๆเขาด้วยความจาใจทั้งๆที่แกอยากจะนั่งสีกับแมมเบลมากกว่ามันจะตกหนักอย่างนี้ไปอีกนานไม่นี่รพิน อเมริกันอาวุโสเอ่ยถามขึ้นเข้าใจว่าพอสว่างก็คงจะหยุดโชคดีมากที่มันมาตกใกล้รุ่งถ้ามันเริ่มตกตั้งแต่ตอนหัวค่ำเราจะไม่มีโอกาสพักหลับนอนกันเลยนอกจากนั่งจับเจ้ากันอยู่ใต้ผ้าคลุมแบบนี้หวังว่าทุกคนคงจะได้นอนกันมาพอสมควรแล้วผมหลับสนิทมาตลอดเลยเพิ่งจะมารู้สึกตัวเอาตอนที่ฝนมาซัดลงมาอย่างหนักนี่แหละเหตุการณ์ในบริเวณที่พักเราเรียบร้อยดีหรือ ระหว่างที่ผมหลับเป็นตายครับปกติที่สุดไม่มีวี่แววร้ายอะไรทั้งสิ้นจอมพรานตอบแล้วถามว่าเมื่อตอนหัวค่มที่ผ่านมาผมสังเกตเห็นคุณกับคิดมีอาการไม่ค่อยจะสบายนักตอนนี้ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างค่อยยังชั่วแล้วแต่ยังง่วงง่วงอยู่ถ้าฝนไม่ตกลงมาเสียก่อนวันนี้คงขอตื่นสายแน่แน เราจะไม่เร่งออกเดินทางนักรครับสำหรับเช้าวันนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกคนพักกันได้อย่างเต็มที่เสียก่อนต่อไปนี้ขอให้ทุกคนระวังในเรื่องสุขภาพไว้ด้วยสภาพของเส้นทางจะทวีความกันดานขึ้นทุกขณะรวมทั้งความปรนแปรของดินฟ้าอากาศและการขาดเสบียงอาหารแล้วทั้งหมดก็เงียบกันไปพวกลูกหาบส่วนใหญ่นั่งหลับนกอยู่ภายใต้พลาสติกคลุมหัวพื้นเดียวกัน ระหว่างพายุและฝนสลับกันไปกับฟ้าที่ผ่าลงมาเป็นระยะๆะะตลอดเวลาโชคยังดีอยู่บ้างที่ตำแหน่งพักอยู่ในบริเวณของป่าหินอันพอช่วยเป็นกำแพงบังลมไว้และมีเฉพาะหาฝนเท่านั้นที่กระหน่ำลงมาไม่ได้เป็นพายุลูกเห็บมิชนะสถานการณ์ของคณะจะยิ่งเลวร้ายฝ่ายนายจ้างอเมริกันเริ่มมีโอกาสที่จะคิดและมองเห็นความจริงเด่นชัดขึ้นอีกภาวะหนึ่งแล้ว เพียงไม่ถึงรอบ24ชั่วโมงแห่งการเดินทางในช่วงนี้ทั้งหมดก็ต้องผจนกับภัยธรรมชาติกันอย่างหนักหน่วงเมื่อเที่ยงวันที่ผ่านมาก่อนหน้าการสำรวจค้นหาสุสานของนิทรานครต่างก็ต้องเผชิญกับพายุหมุนกันกลางทุ่งแทบจะเอาชีวิตไม่รอดครั้นพอตกกลางคืนแน่ใจว่าได้ที่พักแรมอันน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วพอใกล้รุ่งทั้งลมทั้งฝนก็ซ้ำเติมลงมาอีกอย่างทุรักทุเลไปหมดทั้งขบวน พยันตรายจากสิงสาราสัตว์ประการหนึ่งจากอาถรรพ์อันลี้ลับของป่าหลงสำรวจประการหนึ่งและอย่างไม่มีอะไรเลยก็จากความทุรกันดาลและความโหดร้ายของธรรมชาติอีกประการหนึ่งทําให้คณะนายจ้างอเมริกันทั้งสี่คนอันไม่เคยมีความเชื่อถือและสบประมาทประมาณการขั้นต่ําเอาไว้สืบทราบเข้าไปถึงจิตวิญญาณเกินกว่าที่มักคุเทสนําทางได้เคยกล่าวเตือนไว้ ให้สังวรหลายเท่านักหนะน้าบัดนี้มันสายเกินไปเสร็จแล้วพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะปริปากร้องอุทรคำใดได้เลยเพราะเป็นเจตจำนงของตนเองในการอาดหารบุกบั่นมาในครั้งนี้จะยอมพ่ายแพ้ถอยหลังกลับให้เสียเกียรติภูมิของนักสู้ผู้สแสดงความทะนงองอาจมาแต่ต้นซ้ำยังกลับไม่ได้เสียอีกด้วย เนื่องจากมัคคุเทศน์นำทางยังไม่ยอมกลับส่วนการที่จะก้าวรุดหน้าต่อไปเปอร์เซ็นต์เห็นความแตกดับพินาศลงหมดทั้งคณะก็มองเห็นอยู่ชัดเจนกว่าเปอร์เซ็นต์รอดมากนะักมันเป็นภาวะจำยอมเสร็จแล้วอนาคตของทุกคนตกอยู่ในกำมือของพรานนำทางที่ชื่อรพินไพรวันเพียงคนเดียวซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้วคนคนนี้แต่เดิมทีก็ไม่ได้เป็นผู้ชักจูงให้คณะทั้งหมดเดินทางมา ตรงข้ามเขาถูกบังคับให้เป็นผู้นําทางโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แท้และเมื่อกลายมาเป็นผู้นําทางแล้วเช่นนี้เขาก็ทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตที่สุดจนดูเหมือนกับว่าแม่รู้แน่อยู่แล้วว่าความตายรออยู่เบื้องหน้าก็จะต้องนําไปสู่ความตายนั้นโดยไม่บิดพิ้วมีชีวิตของตนเองร่วมชะตากรรมอยู่ด้วยสแตนลีย์ขยับตัวอย่างอึดอัดในความคิดคำหนึงทบทวนเหตุการณ์ เหมือนจะอ่านหรือเดาใจกันออกฝ่ามือแข็งกระด้างอบอุ่นมั่นคงของพรานนำทางได้ควาน ม, มาพบเขาในความมืดนั้นแล้วบีบกระชับไว้แน่นพร้อมทั้งสั่นเขย่าเบาๆอย่างปลุกปลอบใจหัวหน้าใหญ่ของ CIA ของชุดปฏิบัติการพิเศษชุดนี้บีบและเขย่ามือตอบแทนความหมายว่าเข้าใจแล้วในทุกสิ่งทุกอย่าง ฝนซาเมตขาดหายเมื่อเวลาฟ้าสางพอดีตรงกับที่ระพินคาดการไว้ทั้งหมดไม่มีใครคิดที่จะนอนต่อทั้งสิ้นต่างออกมาจากโป่งผ้าพลาสติกที่คลุมหัวและเริ่มปฏิบัติภารกิจในทันทีน้ำฝนที่ขังรองไว้มีปริมาณมากเสียกว่าภาชนะติดตัวของทุกคนจะบรรจุได้เสียอีก อยู่ในสภาพที่ใสสะอาดบริสุทธิ์กว่าแหล่งน้ำทุกแห่งที่จะค้นหาได้จากพื้นดินปัญหาของการที่จะต้องสแสวงหาแหล่งน้ำสำหรับวันนี้ผ่านพ้นไปได้พอลำแสงของตะวันที่ค่อยๆโผล่พ้นทิวเขาลิบๆขึ้นมาก็ปรากฏเป็นสายรุ้งขนาดใหญ่งามตาอยู่ทางด้านขอบฟ้ากว้างไกลอีกด้านหนึ่ง ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามจับตายิ่งเมื่อพากนยืนสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าอยู่บนยอดเนินที่พักพวกลูกหาบเริ่มก่อไฟหูหาโดยอาศัยเชื้อเพลิงแบบเคมีของฝ่ายนายจ้างอันมีคุณสมบัติจุดไฟติดได้ในทุกสภาวะความเปียกชื้นเนื้อเลียงผาย่างที่สุมไฟอยู่บนร้านถูกฝนที่กระหน่ำลงมาเปียกหมดจนแทบอาศัยเป็นอาหารไม่ได้เลย พวกนายจ้างตัดสินใจสั่งให้นำเอาสเสบียงแบบเรชั่นออกมาแจกจ่ายกันเป็นมื้อสุดท้ายโดยแจกให้แก่พวกลูกหาบและพลานพื้นเมืองทุกคนทั่วหน้าโดยไม่สนใจกับการทัดทานของรับพินในข้อที่ขอให้สงวนไว้สำหรับกลุ่มนายจ้างเท่านั้นมันถึงเวลาแล้วรับพินสเตลลี่กล่าวยิ้มยิ้มในข้อที่ว่าต่อไปนี้ถ้าเรามีกินมีกินด้วยกันและถ้าอด อ, อดด้วยกันเรั Re ่นพวกนี้พวกลูกหาบแบกกันหนักมาเป็นเวลานานแล้วเราจะไม่ส ง, งวนไว้เฉพาะเราเท่านั้นผมขอแจกจ่ายไปยังทุกคนในอัตราที่เสมอภาคใครจะกินในมื้อนี้หรือมื้อไหนก็สุดแล้วแต่ถนัดมันจะได้หมดภาระไปเสียทีผมมาเกิดความคิดนี้ขึ้นเมื่อตอนฝนตกหนั ก, กใกล้รุ่งนี่เองคือพวกเราทุกคนต้องเข้ามาอยู่ภายใต้ผ้าหลบฝนพื้นเดียวกันทั้งหมด นั่งเบียดอาศัยไออุ่นซึ่งกันและกันหลอ่อหลอมรวมเลือดเนื้อและชีวิตเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีการแบ่งฝ่ายผมฝ่ายพรานนาทางหรือฝ่ายลูกหาบการเดินทางครั้งนี้ภายใต้การนาของคุณทำให้พวกผมรู้จักคุณค่าของชีวิตมนุษย์เราทุกรูปทุกนามและทุกสถานภาพขึ้นอย่างท่องแท้โดยเฉพาะทุกชีวิตที่ร่วมทางกันมานี่รับผินมองหน้า เขาไม่เห็นรับลมเล่ยลวงใดๆนอกจากความรู้สึกใจจริงของผู้พูดและความรักสนิทอย่างมิตรแท้ผมยินดีที่คุณมองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิตในข้อนี้โดยที่ผมไม่ต้องอธิบายอะไรกับพวกคุณทั้งสิ้นเหตุการณ์บัญชีนำและสอนพวกคุณให้ทราบได้เองผมขอยืนยันได้อย่างเดียวว่าคนของผมเหล่านี้เขาบุ้ยปากไปทางพรานพื้นเมืองและลูกหาบที่กาลังทางานกันอย่างแข็งขัน แม้จะต่ำศักดิ์ด้ยฐานะผิดผิวพันธุ์ไร้การศึกษาต่างไปจากพวกคุณทั้งหลายมากแต่สิ่งที่สูงส่งของพวกเขาก็คือศีลและศัต จ, จะตลอดจนดวงวิญญาณแห่งมนุษยธรรมซึ่งก็ไม่แน่นักว่าคนที่เจริญแล้วด้วยวัตถุจะมีได้เสมอเหมือนพวกเขาหรือไม่คนเหล่านี้มีความเป็นมนุษยาชาติเช่นเดียวกับพวกคุณและบัดนี้ ผมดีใจที่พวกคุณได้รู้จักเขาดีแล้วทุกคนแน่นอนผมรู้จักพวกเขาทุกคนได้ดีแล้วยอมรับว่าได้ค่อยๆเรียนรู้และรู้จักเพิ่มขึ้นมาตามลาดับนับวันเวลาที่ผ่านไปมันเป็นความรู้ใหม่ที่แปลกสําหรับพวกเราซึ่งถ้าไม่ได้มาพบเห็นด้วยตนเองก็จะไม่มีวันได้อย่างรู้มาก่อนเลยดรนอกจากคุณแล้วพวกคุณอีกสามคนผมหมายถึงคิด อิซาเบลและคริสติน่าจะได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เหมือนเหมือนกับคุณด้วยหรือเปล่าเราได้พูดถึงเรื่องนี้ก่อนแล้วเมื่อครู่นี้ทุกคนมีความเห็นอย่างที่ผมพูดกับคุณนี่แหละและในฐานะเป็นหัวหน้าคณะเ ข, า, ขาวานให้ผมเป็นตัวแทนนําความรู้สึกของพวกเราทุกคนมาบอกแก่คุณจอมพรานยกมือขึ้นแตะปีกหมวกเป็นการแสดงความคาระวะถ้าเช่นนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากระหว่างฝ่ายของคุณกับฝ่ายของผม ที่จะร่วมเป็นร่วมตายกันต่อไปโดยลดข้อขัดแย้งลงไปมากที่สุดเอาล่ะครับผมจะไม่ขดาดศรัทธาในการที่คุณจะแจกเรชั่นอันเป็นสเสบียงจํานวนสุดท้ายเหล่านี้ให้แก่คนของผมทั่วหน้ามันหมายถึงว่าพวกคุณรู้จักคุณค่าแห่งน้ําใจของพวกเราแล้วและพร้อมที่จะร่วมทุกสิ่งทุกอย่างกับเราอย่างเคียงบ่าเคียงไหลจนถึงที่สุดสําเร็จผลหรือมิฉะนั้นก็ตายด้วยกันทั้งหมด โดยมีพวกผมยอมเสสละเพลีชีพให้ก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพ ร, รานใหญ่ก็หันไปร้องบอกบรรดาคนของเขาไม่ว่าพ ร, รานพื้นเมืองและลูกหาบซึ่งอยู่ในภาวะลังเลไม่ค่อยกล้ายอมรับเครื่องเรซ่นที่คีดเบลและคริสเงยขึ้นมาส่งแจยาย ใ, ให้โดยบอกให้พวกนั้นยอมรับไว้ทั้งหมดจึงยอมปฏิบัติ ต, ตามคาสั่งของเขาทาให้สตนลียิ้มออกมาได้อย่างปลอดโปร่งใจพึพรรมพาออกมา คุณทำให้ผมสบายใจขึ้นมากเพื่อนยากและมีกำลังใจที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ต่อไปภายใต้การนำทางของคุณพวกเราทั้งหมดตระหนักดีว่าเราได้เดินทางมาถึงจุดวิกฤตแล้วต่อไปนี้ฝ่ายเราจะปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับพวกคุณทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตของพวกเราทุกคนให้รอดไปได้เราจะประทังชีพด้วยอาหารที่จะหามาได้ในเส้นทางข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือพืชพันธุ์เท่าที่จะเป็นอาหารได้และถ้าจำเป็นจริงๆเราก็จะหันมาพึ่งอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่มีเตรียมมาพร้อมด้วยแล้วซึ่งมันพอจะให้กำลังงานและประคองชีพให้อยู่รอดไปได้ชั่วระยะสุภาพบุรุษไพรแตะปีกหมวกส่งให้แก่หัวหน้า น, า, นายจ้างของเขาอีกครั้งแล้วเดินตรงไปยังกลุ่มของคีตเบลเชิร์ดวูดและคริส ซึ่งกำลังสารวจน์ตรวจสิ่งของสัมภาระว่ามีสิ่งใดเปียกน้ำมีอันตรายหรือไม่และนำออกมาเช็ดให้แห้งสนิทโดยเฉพาะอุปกรณ์สำคัญบางชนิดพอเห็นเขาเดินเข้ามาใกล้เบลก็กระโดดลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งยิ้มแจ่มใสให้คุณไม่มีอะไรจะต้องกังวลต่ออาการของฉันแล้วไพรวันเช้าวันนี้ฉันรู้สึกว่าเกือบจะปกติดีเหมือนเดิมทุกอย่างและเชื่อว่าจะไม่เป็นภาระให้แกหมูคณะอีก แผลติดสนิทไม่มีอักเสบอาการไข้ไม่มีและแข็งแรงดีที่สุดจอมพ ร, รานยิ้มให้ก้มศรีรษะลงนิดหนึ่งดีมากเบลพระเจ้าประทานพรมาให้แก่คุณแล้วผมก็เชื่อว่าคุณหายดีแล้วสำหรับเช้าวันนี้มิฉะนั้นคงจะหยอกบุญคำด้วยเท้าไม่ได้หรอกต้องขอขอบคุณคริสที่ให้การช่วยเหลือดูแลคุณอย่างดีที่สุดแล้วเขาก็หันไปตกไหลคิดเบา ในระหว่างที่หมอนั่นกำลังเอาน้ำมันหล่อลื่นกันสนิมฉีดพ่ น, นกลไกของไรเฟิลประจำมืออยู่เมื่อหัวขําที่ผ่านมาอาการของนายก็ไม่ค่อยจะดีนักมีไข้เล็กน้อยหวังว่าเช้านี้คงจะปกติแล้วหรือยังไงนคิดเงยหน้าขึ้นแย้เขี้ยวยิ้มนายเป็นกัปตันทีมทีมวิเศษสุดว่ะรพินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกทีมเป็นต้องอยู่ในสายตารู้เห็นของนายตลอด และให้การดูแลอย่างดีเยี่ยมสำหรับฉันนายไม่ต้องห่วงอาจปวดหัวตัวร้อนบ้างนิดหน่อยได้พักผ่อนให้เต็มที่มันก็หายได้เองคนเดินตามหลังนายรพินจะมาทำอ่อนแออยู่ไม่ได้เพราะโคตรโหดเลยความจริงตัวนายก็เล็กนิดเดียวไม่น่าเชื่อว่าจะมาหาหินอย่างนี้ผ่าวะรพินหัวเราเบาๆเปลี่ยนสายตาไปที่เชิดวุฒนายทหารรุ่นน้องรีบรายงาน สำหรับผมยังเหมือนเดิมครับพี่ถึงไหนถึงกันนรกหรสวรรค์ที่ไหนไม่ย่านเลยสาคัญตัวพี่เองอย่าเกิดอาการจับสันง่า๊งา่า๊งขึ้นเสียก่อนในระหว่างนาทีฉุกเฉินหรือเกิดอาการเส้นเลือดตีบขึ้นมากระทันหันในเวลาใดเวลาหนึ่งก็แล้วกันถ้าโชคของพวกคุณดีผมก็จะไม่เกิดอาการเช่นนั้นขึ้นบ่อยนักหรอกและถึงแม้ผมจะเกิดพิการขึ้นชั่วขณะหรือต่อให้ตายไปเลย คนของผมก็ยังมีอยู่อีกถึงสี่คนพอจะเป็นหลักประกันในการเดินทางกลับของพวกคุณได้อย่างสบายขอให้เชื่อมั่นในพวกเขาเถอะแล้วเขาก็แยกตัวไปซุดตัวลงนั่งเอาใบมีดโกนพยายามจะ ก, กรีดตัดขาดกางเกงอีกข้างที่ยังเหลืออยู่ให้หดสั้นลงเหลือเท่ากับข้างที่คริสติน่าตัดออกไปให้ขณะที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อบ่ายวันนี้เพื่อให้มันสั้นเสมอกัน กลายเป็นกางเกงขาสั้นไปคริสมองเห็นเข้าก็ปราดเข้ามาทันทีถามโดยเร็วนั่นคุณจะทําอะไรจนป่านนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนกางเกงตัวใหม่อีกหรือผมบอกแล้วว่าผมไม่มีเสื้อผ้าติดตัวมามากนะักคุณตัดขามันไปข้างหนึ่งผมก็ใส่เป็นกางเกงขา ด, ด้วนมาจนถึงเช้าวันนี้นี่ก็อยากจะตัดออกอีกข้างหนึ่งมันจะได้ใช้เป็นกางเกงขาสั้นดีกว่าจะทิ้งเสียเลยทั้งตัวทุเรศจริง เอามานีจะจะตัดให้คุณเองคริสบอกเบาๆแล้วแย่งมีดโคนไปจากเขาหลอนบรรจงกรีดตัดขากางเกงข้างที่ยังเหลือยาวอยู่ของเขาโดยกะขนาดให้เสมอกันกับข้างที่ตัดสั้นไปก่อนแล้วเมื่อวานซึ่งก็เป็นริ้วรุ่งเร่งอยู่พอกรีดรอบจนขาดออกก็พับชายทำเป็นตะเข็บใช้เข็มเย็บผ้ากลับได้ซอยเข็มให้มันดูเรียบร้อยขึ้น ระหว่างที่หล่อนเย็บลูกลวกแต่ฝีมือคล่องแคล่วว่องไวนั้นกระพินนั่งเอาหลังพิงก้อนหินวางขาข้างนั้นในลักษณะที่ให้หล่อนสามารถเย็บได้อย่างถนัดผมนึกว่าคุณจะชำนาญในการเย็บแผลอย่างเดียวเย็บผ้าก็เป็นเหมือนกันหรือเขาถามตามองจับอยู่ที่มืออันฉับไวของคริสเย็บชายแต่เข็บผ้ามันง่ายกว่าเย็บแผลมากนะและความจริงฉันก็เป็นผู้หญิงแท้ๆคนหนึ่งเหมือนกัน กียีแค่เพียงงานพื้นๆของลูกผู้หญิงแค่นี้ถ้าทำไม่ได้หรือไม่เป็นมันก็เกินไปหน่อยอย่าดูหมิน่นอาหารฉันก็ทำเป็นด้วยนะหน้าที่ของแม่บ้านฉันก็พอจะรู้ที่ไม่ได้ทำให้เสียแต่แรกก็ไม่คิดว่าคุณจะทนใส่ไอ้กางเกงชัมรุษทุเรศตัวนี้อยู่อีกนึกว่าคงจะโยนทิ้งมันไปแล้วเพิ่งจะมาสังเกตเห็นเอาเดี๋ยวนี้เองว่ายังทนใส่มาจนถึงเช้าวันนี้ อยากจะรู้นักว่าถ้าแฟนของคุณมาเห็นคุณสวมกระเกงขาถูกตัดไปข้างหนึ่งปล่อยอีกข้างหนึ่งอยู่แบบนี้เธอจะว่ายังไงนี่คงจะนึกตำหนิฉันเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ช่วยจัดการอะไรให้คุณเลยหลอนพูดแผ่วเบาวรวดเร็วอาการเหมือนบน่นแล้วก้มลงมาชิดเข่าเข า, ขาใช้ฟันกัดเส้นได้ขาดออกเมื่อขมวดปมเย็บเสร็จเรียบร้อยจังหวะนั้นตาต่อตาสบกันแวบหนึ่ง แฟนผมจะไม่มีโอกาสได้เห็นผมอีกแล้วไม่ว่าในลักษณะไหนอย่างไรแม้แต่ผมกำลังจะสิ้นใจก็ตามทีคุณเป็นคนมีความกรุณามากคริสและเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่อยากจะเชื่อในประวัติความเป็นมาของคุณที่ได้รับฟังจากเบลหรือปากคุณเองเลยในด้านความร้ายกาจต่างๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีนามว่าไลล่าอามิเตสสายลับลูกครึ่งเตอร์กิสอเมริกันหญิง ผู้มีอารมณ์วิปริตแบบซาดิส m เคยเป็นฆาตกรเลือดเย็นเคยถูกยึดใบประกอบโรคศิลในระหว่างปฏิบัติหน้าที่สารลยแพทย์คุณอย่าพยายามค้นหาหรือวิเคราะห์อะไรฉันเลยรู้แต่เพียงว่าฉันไม่ใช่คนดีอะไรนะักอย่างที่คุณเข้าใจแต่แรกนั้นน่าจะถูกต้องที่สุดแล้วบนเส้นทางมรณะสายนี้ขอให้ฉันได้ทาตัวให้ดีที่สุดในสายตาของคุณ ก็เป็นความสุขใจของฉันแล้วฉันจะพยายามเป็นเพื่อนหรือน้องสาวที่ดีของคุณตลอดไปตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ทั้งสองพูดกันอย่างรวดเร็วด้วยน้ำเสียงกระซิบได้ยินกันเพียงลาพังชนิดที่อีกสามคนที่อยู่ห่างออกไปเล็กน้อยและกำลังพูดคุยกันอยู่ในขณะนี้ไม่อาจจับกระแสะความได้สิ่งที่ผมมอบให้แก่คุณเมื่อคืนนี้ยังอยู่ดีหรือเปล่าคริสเอามือแตะครัมที่หน้าอกยังอยู่ และจะอยู่ติดตัวฉันตลอดไปรวมทั้งคำพูดสั่งสอนตักเตือนของคุณด้วยดีมากขอทมนิดเดียวเท่านั้นได้ไหมตกลงเมื่อคืนทำไมเชิดวุดถึงมานอนอยู่ใกล้ๆฉันแทนที่ของคุณหล่อนจ้องตาเขาแน่วนิ่งอย่างเจตนาเค้นคำตอบพราะเห็นประสานตาสีฟ้างามคู่นั้นด้วยสีหน้าอันเรียบสนิทของเขาผมลุกขึ้นมาตรวจยามขณะที่คุณหลับ นนั้นวุดตื่นขึ้นมาเพราะด้านเขาถูกรบกวนด้วยพวกมดมันรุมกัดเขาผมก็เลยให้เขาย้ายมานอนแทนที่ผมเพราะผมลุกขึ้นแล้วในตอนนั้นต้องดูแลบริเวณโดยไม่คิดที่จะนอนอีกไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นเขารบกวนอะไรคุณหรือเปล่าเขานอนใกล้ชิดฉันแทนที่คุณก็จริงแต่ทําตัวเรียบร้อยดีมากตอนที่เขาหลับไปฉันยังห่มผ้าให้เขาเลยขอถามแค่นี้แหละ เพราะไม่เข้าใจเจตนาของคุณเอาละเราหยุดพูดเรื่องนี้กันได้แล้วเบลกำลังเข้ามานั่นเช้าวันนี้แม่จอมยุ่งเจ้าแม่ยัวไพรแข็งแรงสดชื่นดีแล้วฉันเป็นห่วงคุณว่าอาจจะเดือดร้อนยุ่งยากตาบะแตกเขาอีกไม่เวลาใดเวลาหนึง่งเพียงแค่สิ้นประโยชของคริสเท่านั้นเบลผู้ตกเป็นภาระของหมู่คณะทั้งหมดในฐานะผู้พิการไปถึงสาวันเต็มเต็ม ก็เดินด้วยอาการปราดเปรียวแคล่วคล่องเข้ามาหยุดยืนยิ้มค้ำอยู่ยังบุคคลทั้งสองอากับกิริยาของหล่อนเห็นชัดว่าเกือบจะปกติเหมือนเดิมโดยไม่ต้องฝืนและมีอารมณ์ที่รอรื่นอันเป็นบุคลิกประจำดูแปลกไปนี่วันนี้คุณสวมกางเกงขาสั้นหรือแม่ผมแดงร้องทักเมื่อมองเห็นกางเกงของรพินถูกตัดขึ้นไปสั้นเหนือเขา่าซึ่งทาให้ดูแปลกตาไปกางเกงตัวเก่าผมเมื่อวานนี้ ดูมันแปลกกว่านี้ซะ อ, อีกเพราะขาขาดไปครึ่งหนึ่งมาเช้านี้คริสได้ตัดออกไปอีกข้างให้มันเสมอกันคุณอาจเจ็บป่วยเสียจนไม่ได้สังเกตก็ได้แต่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะนุ่งมันในวันนี้หรอกเพราะมันสกปรกเต็มทีเพียงแต่ให้คริสช่วยตัดให้ขามันเสมอกันเผื่อไว้สวมในเวลาจาเป็นแทนที่จะทิ้งไปเสียเปล่าเขาบอกเบาๆและมองดูเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเวล ซึ่งขมุขขมอมพอๆกับเขาในขณะนี้อันเกิดมาจากการหมักหมมตรทั้งวันแห่งการผจญภัยหนักเมื่อวานและไม่ได้มีการผลัดเปลี่ยนเลยเสื้อกางเกงของหล่อนชุดนั้นก็ขาดเป็นริ้วรอยอยู่ทั่วไปเช่นกันเกิดจากแง่หินและกิ่งไม้เกี่ยวขณะนี้หล่อนปล่อยชายเสื้อรุ่ยไรย้และแกะดุมออกหลายเม็ดโดยถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกพาดไหลสอดมือเข้าไปเกาแบบคันขยเย อยู่บริเวณใต้ถันข้างที่เป็นบาดแผลและมีรอยเย็บไว้โดยไม่สนใจกับสายตาของผู้ใดทั้งสิ้นซึ่งทุกคนก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จแล้วสำหรับแม่อเมริกันสาวผมแดงชรอยจะเป็นเพราะหล่นเข้ามายืนตะงานจังก้าอยู่ใกล้ศีรษะของเขาเกินไปก็ได้รพินก็เลยต้องรุกขึ้นยืนเพราะวีมหึมากลางลำตัวของแม่เจ้าประคุณลอยอยู่ในระดับใบหน้าของเขาห่างเพียงแค่ศอกเดียวเท่านั้น เมื่อวานฉันมาถึงที่นี่เกือบจะในลักษณะโคมา่าแทบจําอะไรไม่ได้เลยหล่อนว่าเอามือตบปากตัวเองขณะที่หาวไปพรางแล้วกวาดสายตาไปรอบๆ บ, บริเวณอันเป็นที่พักซึ่งเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนเพิ่งจะมาสังเกตเห็นที่พักนอนตลอดคืนของเราเด่นชัดในเช้านี่เองภูมิประเทศมันสวยมากนะโดยเฉพาะสายรุ้งที่พาดอยู่กลางท้องฟ้าโ น, น่นว่าแต่นี่แนคุณสุภาพบุรุษไพรวัน ตลอดคืนที่ผ่านมาแล้วคุณพอจะบอกให้ฉันหรือพวกเราแน่ใจได้หรือยังว่าเราพ้นจากรัศมีการติดตามรังควานของไอ้พวกผีดิบมันตรแล้วเราพ้นจากอาถรรพ์ของนิทรานครแน่นอนแล้วเบลผมเชื่อมั่นอย่างนั้นอะไรที่ทำให้คุณเชื่อถึงขนาดนั้นมันหมายถึงว่าตลอดบ่ายวันวานนี้ที่พวกเราพยายามค้นหาแหล่งสุสานโบราณและระเบิดเปิดทางเข้าออกได้หมดเท่าที่จะค้นหาพบ ทำให้มันไม่อาจยกขยงพลพาคออกมาได้งั้นหรือนั่นเป็นเพียงสิ่งที่เราคิดว่าได้ทำดีที่สุดแล้วดีกว่าจะไม่ได้ทำอะไรลงไปเสียเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากเกี่ยวกับเรื่องที่เราระเบิดปิด ป, ดปากทางเข้าออกเพราะสุสานผีดิบเหล่านั้นน่าจะยังมีอยู่อีกมากโดยเรายังค้นไม่พบตลอดจนทราบของพวกมันที่เคลื่อนย้ายออกนอกสุสานไปแอบซ่อนอยู่ที่อื่น ที่น่าจะมีอยู่ทั่วๆั่ไปแต่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างกระทบเข้ามาในความรู้สึกของผมว่านับตั้งแต่เราปิดสุสานของกษัตริย์ตรงเทวัลหินรูปสิงโตหมอบลงได้สิ่งลี้ลับอาถรรพ์ทั้งหลายก็น่าจะพลอยสิ้นสุดลงด้วยถ้ามันยังเหลืออยู่เมื่อคืนที่ผ่านมามันจะต้องส่งฤทธิ์เดชมาราวีเราอีกอย่างแน่นอนแต่นี่ก็เห็นสงบราบคาบดีที่สุดอย่าไปคานึงถึงมันอีกเลย เราพ้นรสมีมนมืดของมันแล้วรพินพูดต่ำตๆอาการของเขาอยู่ในลักษณะคร่ครวนและตนเองก็ไม่อาจขบปัญหาในเรื่องนี้และไม่อาจอธิบายออกมาได้ชัดเจนเช่นกันว่าเหตุใดเขาจึงเชื่อมั่นเช่นนั้นเพราะตั้งแต่เผชิญกับปัญหานี้มาโดยตลอดเขาก็ยังไม่อาจเห็นกับตาว่าเจ้าซากนักรบโบราณที่วิญญาณของมันไตรเข้าไปอาศัยสิงสูนั้น จะได้ถูกทำลายไปตั้งแต่เมื่อใดมันปราศนาการไปอย่างปราศจากวี่แววให้ค้นพบได้อีกหรือบางทีอาจเป็นไปได้ในข้อที่ว่าในการประจันบานกันอย่างขนาดหนักด้วยระเบิดเพลิงเมื่อสองคืนก่อนที่ผ่านมาซากที่มันไตรเข้ามาอาศัยสิงสู่ใหม่ในร่างกายของนักรบตนนั้นอาจเจอเข้ากับระเบิดเพลิงเผาไหม้กลายเป็นเท่าไปแล้วก็ได้ ระหว่างเกิดการประทะชุลมูลกันอยู่ยังป่าทึบใต้โคลนทรายใหญ่หรือมิฉะนั้นมันก็อาจหนีเข้าไปหลบอยู่ในสุสานแห่งใดแห่งหนึ่งอันเป็นตำแหน่งที่พวกเขาใช้ระเบิดปิดปากทางออกเมื่อตอนบ่ายวันวานทำให้ซากนั้นไม่สามารถโผล่ออกมาได้อีกแล้วก็เป็นได้คริสเอียงคอมองดูอาการเขาแล้วว่า สาบานว่าเมื่อคืนนี้ฉันได้ยินเสียงอะไรที่มันประหลาดประหลาดน่ากลัวมากแม้จะไม่ถึงกับเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรขึ้นก็ตามเชิดวุฒคีตและอาจารย์ก็บอกว่าทุกคนฝันเห็นสิ่งน้าขนพองสยองเกล้ามันแห่กันมาล้อมที่พักของเราเต็มไปหมดสอบทานกันแล้วลักษณะความฝันเหมือนกันทุกคนชื่อผมเถอะไม่มีอะไร ทุกคนมีประสาทหลอนค้างมาตั้งแต่เราประทบ ก, กับกองทัพไอ้ผีดิบพวกนั้นซึ่งมันประทับอยู่ในสมองมาโดยตลอดรวมทั้งจิตที่คอยคิดระแวงว่ามันจะยกขบวนกันมาอีกเมื่อคือนนี้ผมขอยืนยันว่าเราพักกันอย่างสงบที่สุดไม่มีอะไรมารบกวนเราแต่ผมไม่รับรองว่าจะพบกับสิ่งอื่ น, อ, นอีกหรือไม่ซึ่งเราจะต้องแก้ไขพยายามเอาชีวิตให้รอดพ้นไปตามลำดับ สุดแต่ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งถ้าร่างกายแข็งแรงจิตใจมั่นคงเราจะผ่านพ้นมันไปได้เสมอขอย้ำเตือนว่าทุกคนโปรดระวังสุขภาพของตนเองไว้ให้ดีที่สุดขณะนั้นสแตนลีย์คีดและเชิร์ดูต์ก็พากันเดินเข้ามาร่วมกลุ่มกันทั้งสามหัวหน้าคณะฝ่ายอเมริกันเอ่ยขึ้นอย่างยินดีว่าเมื่อครูน่นี้บุญคาเข้ามาบอกกับผมว่าฝนตกเมื่อใกล้ ร, รุ่งนี้ ทำให้มีน้ำขังอยู่ตามแอ่งหินที่ลุ่มอยู่หลายแห่งกลายเป็นบ่อน้าทั่วไปใต้เนินลูกนี้คุณคิดว่าพวกเราพอจะใช้เป็นน้ำอาบได้บ้างไหมเพราะพวกเราหมักห ม, มมกันเต็มทีแล้วคำพูดของสเตนลีย์ทำให้สองสาวดวงตาเป็นประกายขึ้นด้วยความดีใจครับผมก็ตั้งใจว่าจะบอกให้ทราบเหมือนกันแต่เห็นว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่มากและอากาศก็ยังเย็นจัดรอให้เห็นแสงแดดสายกว่านี้อีกสักนิด ใครจะอาบน้ําชำระร่างกายอย่างไรก็เชิญตามสบายดีเหมือนกันจะได้มีแรงสําหรับการบุกหนักวันนี้ต่อไปแต่ขอเตือนให้ทราบล่วงหน้าว่าระยะทางข้างหน้าต่อไปนี้อย่าหวังอะไรมากนะักเกี่ยวกับการอาบน้าแม้แต่น้ํากินก็ยังหวังไม่ได้สภาพของเราบางขณะก็อาจต้องเหมือนการดํารงชีพของสัตว์ป่าเพราะเส้นทางที่ผ่านกันมาแล้วนั้นแทบทุกครั้งของการวางแคมป์ ผมมักจะหาแหล่งน้ำให้พวกคุณได้เสมอนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเอาแน่อะไรไม่ได้มันเข้าสู่เส้นทางวิกฤตแล้วพบอาหารเรากินพบน้ำที่จะดื่มได้เราดื่มถ้ามันมากพอที่จะอาบได้เราก็อาบแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเราต้องอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างประคองชีวิตให้รอดอย่างเดียวพร้อมทั้งคืบหน้าขอบคุณที่ให้ความจริงอย่างตรงไปตรงมาคริสพูดเบา แววอึดอัดกังวลฉายผ่านไปในแววตาแว บ, บหนึ่งแล้วก็กลายเป็นความไม่ประวันพรั่นพึงเหมือนเดิมส่วนเววยกมือทั้งสองขึ้นลูบใบหน้าบนเบาๆอย่างอื่นอย่างอื่นก็พอทนได้หรอกแต่การที่ร่างกายไม่ได้พบน้ําเลยภายหลังจากหมักหมมมาทั้งวันด้วยการเดินทางหนักหนี่มันคงจะทรมานดีพี่ลึกแล้วหล่อนก็ถามมาทางเขาอย่างไม่มีความหมายอะไรจริงจังนักว่าพวกคุณทนไม่อาบน้ําได้นานเท่าไหร่ เราพินยิ้มเกล้นแกล้นเสียงของเขาต่ําเมื่ออยู่ในป่าคุณต้องเป็นคนป่ามิฉะนั้นคุณเอาชีวิตไม่รอดเบลพวกผมไม่สนใจเรื่องอาบน้ําหรอกขอให้มีแค่น้ํากลั้วคอกันตายก็พอแล้วบางทีเราไม่ได้พบกับน้ําอาบเลยเป็นอาทิตย์เราก็อยู่ได้ฝึกอย่างอื่นมาได้แล้วในการเดินทางครั้งนี้คุณต้องฝึกกับการไม่คํานึงถึงน้ําอาบด้วยต่อไปคุณจะชินไปเอง สาเหตุหนึ่งที่ผมไม่อยากจะให้ผู้หญิงต้องมาเดินป่าอยู่กับผมก็คือเรื่องน้ําอาบนี่แหละถ้าคุณมาเที่ยวป่าธรรมดาแน่นอนว่ามัคคุเทศน์นำทางจะต้องแสวงหาแหล่งน้ําอาบให้คุณได้เป็นระยะแต่การที่คุณบุกมาเพื่อทํางานในครั้งนี้คุณจะหวังให้มีน้ําอาบไปทุกระยะย่อมไม่ได้เด็ดขาดถ้าไม่เข้าใจมาก่อนก็โปรดเข้าใจเสียเดี๋ยวนี้ใช่เขาพูดถูกแล้ว คิดร้องออกมาเสียงหนักอย่างคนที่เริ่มจะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะที่เผชิญกันอยู่ขณะ น, นี้ตั้งแต่วันแรกของการเดินทางมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ข้าเพิ่งเห็นเองพูดอย่างคนฉลาดเอาเดี๋ยวนี้เองวะเชิญวูดบอกมาหน้าตาเฉยคิดจุปากดังลั่นอย่างหัวเสียอุบอิบสะบดด่าอะไรพึ่มพำอยู่ในลําคอขอถามอะไรโง่ๆหน่อยนะ คริสเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเบาเรียบปราะศะจากท่าทีอันเป็นการตั้งแง่ตีรวนใดๆทั้งสิ้นสมัยที่คุณนำคณะนายจ้างเดินทางติดตามหาคนหายในครั้งก่อนคุณได้นำพวกนั้นไปทุกทรมานถึงขนาดที่เราผ่านมาแล้วนี่ไหมจอมพรานมองประสานตาตรงและท้อยวาจาของเขาก็ไม่มีแววของการแดกดันประชดประชันใดๆเช่นกันเท่าที่พวกคุณผ่านกันมาแล้ว ขอเรียนตามตรงว่ายังไม่ได้หนึ่งในสิบของความกรากรมทุกขเวทนาเท่ากับที่คณะนายจ้างเก่าวของผมพบมาแล้วนี่คือความสัจจริงคุณหญิงของคุณเธอเคยไม่อาบน้ำนานกี่วันล่อนถามอย่างเกรงใจต่อมารพินหยิบก้นบุรีที่ดับครึ่งตัวทาดหูไว้ลงมาคาบแล้วจุดอัดควันลึก 4หรือห้าวันเต็มๆที่เธอไม่ได้พบกับน้ำอาบเลยก็ยังเคยเหตุการณ์สภาพแวดล้อมมันบังคับแล้วเธอบ่นอุทธรอะไรบ้างไหมก็บน่นซิจนบ่นไม่ออกจนกระทั่งเลิกบน่นกลายเป็นความเคยชินไปในที่สุดพวกคุณโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีทั้งสองคนต้องพยายามทำให้ได้เหมือนเธอผมบอกตามตรงว่าเห็นใจมากในเรื่องนี้แต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงการเดินเพื่อสแสวงหาเหล่านั้นมันเป็นหน้าที่โดยตรง และหน้าที่จำเป็นของทางฝ่ายผมอยู่แล้วแต่ถ้าหาไม่พบก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อพบแหล่งน้ำพออาบได้และไม่เป็นอันตรายเชิญอาบเผื่อไว้สำหรับวันที่จะต้องไม่ได้อาบด้วยปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาผู้หญิงก็อย่างนี้แหละบางลักษณะเ้าทนอะไรไม่ได้อย่างผู้ชายพวกเราสแตนลีย์กล่าวขึ้นพร้อมกับครงศีรษะไปมา หันไปตบไหล่สองสาวอันเป็นคณะผู้ร่วมตายที่มาด้วยอย่างพลอยรู้สึกสงสารเห็นใจมันเป็นความจริงในข้อที่ว่าผู้หญิงสาวสวยที่มาจากแดนศิวิไลแล้วนั้นทุกคนไม่อาจทนต่อความหมักมมและไม่สะอาดของร่างกายตนเองได้ติดต่อกันในระยะเวลายาวนานพวกหล่อนย่อมเกรงไปสรพัดความเหนหนะขยะขยงตัวเองกลิ่นไอตัวที่สกปรกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงสร้างสรีระของร่างกายอันสลับซับซ้อนของเพศหญิงที่มีมากกว่าเพศชายหลายเท่าแล้วเช้าวันนี้ก่อนออกเดินทางคุณอนุญาตให้เราอาบน้ำได้ใช่ไหมคุณคงไม่รีบสั่งให้ออกเดินทางเร็วเกินไปเบลถามมาเสียงอ่อยอ่อยระพินยิ้มให้อย่างปราณีตามสบายครับผมบอกแล้วว่าวันนี้เราจะไม่เร่งด่วนอะไรเกินไปนักมีแอ่งน้าขังอยู่มากมายรอบบริเวณตีนเชิงข้างล่างนี่ บางแห่งมีลักษณะเหมือนอ่างอาบน้ำที่จะนอนแช่ตัวได้ด้วยแต่อย่าลืมอาบเผื่อไว้ด้วยก็แล้วกันเผื่อว่าเย็นนี้พรุ่งนี้หรือวันต่อไปเรายังไม่อาจหาแหล่งน้ำพกได้เลยเช้าตรู่ของวันนี้สวรรค์ประทานน้ำมาให้แก่คุณสุภาพสตรีทั้งสองแล้วขอบคุณในความกรุณาสองสาวเอ่ยขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดกันไว้แล้วผ่ากันเดินพระ แยกตรงไปยังกองสัมภาระเพื่อค้นหาสิ่งของจําเป็นปล่อยให้ชายทั้ง4ยืนสนทนากันอยู่ที่นั่นมันเป็นเช้าของวันแรกที่นายคิดไม่ได้หันไปสนใจกับวิทยุรับส่งติดต่อเครื่องใหญ่ของพวกตนเลยแม้ว่ารพินเตือนให้ไปทดลองดูนายนั่นก็สันหัวมันตายหาไปแล้วไอ้วิทยุเวรเครื่องนั้นไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอีกให้เสียเวลาหรอกฉันอยากจะกระทืบมันทิ้งเสียแล้วรู้แล้วรรอดไป ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายก็แล้วกันไม่ว่าจะนําทางไปทางไหนนรกขุมใดพวกฉันก็จะตามนายไปทุกแห่งนั่นแหละแน่ใจหรือว่าจะไม่มีชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของมันชํารุดซึ่งถ้าแก้ไขก็อาจใช้งานขึ้นมาได้บางทีนายอาจมองผ่านไปเสียพระผินซ่อนยิม้มทําด้วยเสียงปกติของเขานรกฉันรับรองกับนายได้เลยว่ามันไม่มีอะไรเสียสักนิดเดียวตรวจมาตั้งหลายครั้งแล้ว มันเสือกไม่ดังเองแต่ทีเครื่องมือถือดันรับส่งได้ปกติยังก็มีอะไรมาอุดมันไว้งั้นแหละว่าแต่วันนี้นายจะบายหน้าไปทางไหนจอมพรานชี้ขึ้นไปยังปลายรุ้งกินน้ำโน่นสุดสายรุ้งที่มองเห็นอยู่โน่นฉันจะพาพวกนายไปให้ถึงที่เดียวแหละไม่ต้องห่วงแดนมิดถ้าฉันรู้ล่วงหน้าแบบนี้ฉันไมมาหรอกวะไปหาข่าวในลีเบียยังดีซสกว่าโอกาสรอดมีมากกว่ารพินตบหลังอันหนาปึก ของคีดเบาๆจะเย็นๆตั้งสติให้ดีนายมันเป็นชายชาติทหารถ้าไม่กลัวสัอย่างเดียวอะไรต่ออะไรมันก็เรื่องเล็กไปหมดสําคัญอย่าหักหลังกันก็แล้วกันหักหลังเพื่ออะไรกันความจริงฝ่ายฉันน่าจะพูดอย่างนี้กับพวกนายซะมากกว่าคีดยักไหล่แล้วหุบปากนิ่งเงียบไปฟ้าหลังฝนยามเช้าเริ่มกระจ่างใสขึ้นเป็นลําดับที่สุด ลำแสงตะวันก็สาดสว่างฝ่ากลุ่มเมฆลงมาละลายสายรุง้งอันงดงามที่ทาบเกือบจะเป็นรูปครึ่งวงกลมกลางแผ่นฟ้าให้จางไปอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นทัศนวิสัยรอบด้านสามารถมองเห็นไปได้กว้างไกลด้านหนึ่งเป็นท้องทุ่งที่ราบสูงสลับไปด้วยเนินสูงๆต่ำๆที่เดินผ่านกันมาแล้วเมื่อเย็นวานส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นป่าธรมมนทึบ แลเห็นดำมืดอยู่เบื้องหน้าถัดจากพุ่มพงกอไม้อันเป็นดงว่านผีปอบที่มองเห็นอยู่ไม่ห่างนักกลุ่มนายจ้างของเขาและเชิดวุตขอตัวไปเพื่อหาแหล่งอันเป็นแอ่งน้ำเพื่อชำระสะสารร่างกายซึ่งมีอยู่อุดมสมบูรณ์ทั่ ว, วไปจากน้ำฝนเมื่อใกล้รุ่งที่ไหลลงไปขังอยู่ตามแอ่งหินรอบๆเนินที่พักพระพินยืนสองกล้องไปยังป่าดงดิบเบื้องหน้าอย่างพินิจใครครวนอยู่คนเดียว พยายามทบทวนเรียกร้องความทรงจำในอดีต ท, ที่ผ่านมาไม่นานนักสมัยที่พาคณะของคุณชายเชษฐาเดินทางทั้งในเที่ยวขาไปและขากลับเพื่อเปรียบเทียบกับลักษณะที่ราบสูงมาจรดแนวป่าดิบที่เห็นอยู่ลิบๆนั้นไม่มีส่วนใดที่เขาจะผ่านพบเห็นมาก่อนเลยณนะตำแหน่งที่ยืนพิจารณาอยู่ในขณะนี้ หลังจากปล่อยเวลาให้แก่การเตรียมตัวของฝ่ายนายจ้างและพวกลูกหาบทุกคนประมาณสองชั่วโมงเต็มๆทั้งคณะก็อยู่ในสภาพที่จะออกเดินทางต่อไปได้ทุกคนของฝ่ายนายจ้างอาบน้ำชำระร่างกายและผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะอิซาเบลและคริสตินา่าดูจะสดชื่นแจ่มใสขึ้นอีกครั้งระหว่างที่รพินกำลังกำหนดเส้นทางเดินทางในช่วงแรกลงในแผนที่ของเขา โดยเปรียบเทียบกับเข็มทิศเบลผู้เช้าวันนี้แต่งกายชุดใหม่รัดกุมสวยสดเป็นพิเศษก็เดินตรงมาที่เขาพร้อมกับยื่นบุหรี่อเมริกันที่ยังไม่ได้แกะซองมาให้เขาสองซองเขาเงยหน้าขึ้นจากแผนที่เลิกคิ้วเหมือนจะถามรลอนก็พยักหน้าบอกมายิ้มยิ้มคริสบอกฉันว่าบุหรี่ของคุณหมดไปนานแล้วเอาไปสิขอบคุณ แต่คุณเก็บไว้เองไม่ดีหรือผมสูบบุหรี่พื้นเมืองของพรานป่าได้รับไปเถอะถ้าคุณไม่รังเกียจของฉันยังเหลืออยู่อีกหลายซองมันเป็นเพียงการสนองตอบบุญคุณเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ฉันจะทำได้ในยามนี้จอมพรานยิ้มให้นิดหนึ่งไม่อยากจะให้เสียน้ำใจจึงรับบุหรี่ทั้งสองซองนั้นไว้ซองหนึ่งบรรจุลงไปในซองเก็บบุหรี่พลาสติกชนิดกันน้าและเหงื่อใส่กระเป๋าเสื้อไว้ อีกซองหนึ่งโยนลงไปในเป้หลังของเขาที่ถอดวางอยู่ใกล้ๆแล้วพับแผนที่ซึ่งกางอยู่เก็บช้าๆในระหว่างที่หล่อนทำท่าเหมือนจะชะโงกเข้ามาดูกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากกายของแม่ผมแดงโชยมาสัมผัสคานประสาทของเขาและเมื่อจ้องไปที่ใบหน้านั้นก็แทบจะหัวเราะออกมาดังๆเมื่อเห็นแม่ผมแดงมีริมฝีปากที่แต่งแต้มไว้ด้วยริบสติก และผิวหน้าก็มีการเมคอัพไว้อย่างสวยสดผิดไปกว่าทุกครั้งหลอนยิ้มกว้างออกไปอีกเมื่อเห็นเขามองจับนิ่งมาด้วยอาการเหมือนจะพิเคราะห์ภายหลังอึดใจใหญ่ที่ระพิน์ไม่ได้กล่าวขึ้นเช่นไรหลอนก็ว่าฉันนึกว่าคุณจะหัวเสียเอตโตโรด่าว่าอะไรฉันเสอีกแต่กลับเห็นคุณยืนดูเฉยเยหัวเสียเรื่องอะไรก็เรื่องที่เห็นฉันแต่งหน้าทาปากเยอย่า ง, ง, งกะจะไปเที่ยวปิกนิกยังไงล่ะ นี่คุณพูดเองนะผมไม่ได้พูดก็นั่นนะสิทําไมคุณไม่พูดอะไรบ้างละ่ะผมกําลังนึกชมคุณอยู่ว่าสวยมากสําหรับเช้า ว, วันนี้นี่พูดจากใจจริงผมอยากเห็นคุณสวยอย่างนี้ทุกขณะไม่อยากเห็นคุณหน้าตาหมอมแมมแมเต็มไปด้วยเหงือใครหรือริ้วรอยแห่งความทุกข์ความย่อท้อรพินพูดด้วยเสียงเรียบปกติของเขา เวลหัวเราะ อ, อย่างถูกใจส่งมือไปให้จับแล้วบีบฝ่ามือกล้านแข็งของเขาแน่นกระชับสั่นแรงๆคุณเป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงไพรวันและฉันแพ้พนันคริสเขาพนันใช่ฉันพนันกับเขาว่าเชา้านี้หลังอาบน้ำแต่งตัวเสร็จฉันจะแต่งหน้าให้ดูสวยเหมือนไปเที่ยวงั้นแหละแล้วดูซิว่าคุณจะโวยวายด่าว่าหรือแสดงอาการหม่นใส้ไม่พอใจอย่างไร แต่คริสบอกว่าฉันจะไม่มีวันเห็นอาการเช่นนั้นจากคุณหรอกถ้าฉันไม่ทำตัวให้เป็นภาระของใครแล้วก็จริงอย่างคริสว่าทุกอย่างคุณไม่ได้ว่าอะไรฉันหรือเห็นฉันเสียสติใดๆไปทั้งสิ้นความจริงฉันก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาแกล้งทำให้คุณหัวเสียอะไรหรอกเพียงแต่มันโทรมมาหลายวันแล้ววันนี้อยากจะสวยบ้างและธรรมชาติแท้จริงของผู้หญิงนั้น แม่จะรู้ตัวว่าความยากแค้นแสนสาหาัสหรือต่อให้ความตายรอคอยอยู่เบื้องหน้าก็ยังอยากจะตายในขณะที่คิดว่าตัวเองสวยที่สุดคุณไม่ว่าฉันโดยวาจาแล้วก็อย่านึกว่าในใจด้วยนะพระพินยิ้มอย่างมิตรเป็นรอยยิ้มแห่งการปลุกปลอบกำลังใจถูกต้องคุณควรจะสวยเอาไว้เสมอแม้ขณะที่มองเห็นความตายรอคอยอยู่ก็ตาม อีกประการหนึ่งมันก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์บ่งบอกถึงกำลังใจของคุณที่เข้มแข็งปราศจากความย่อท้อทอดอะไรผมไม่ได้คิดตำหนิอะไรคุณหรอกสวยไว้ดีกว่าโซมเพราะความโทมมันกำลังเล่นงานพวกเราอยู่ทุกขณะจิตแล้วคุณเคยเห็นไม่ใช่หรือเบลแม้แต่คนที่ตายไปแล้วก่อนจะนำลงบรรจุในหีบศพญาติมิตรยังต้องแต่งตัวให้ศพอย่างสวยงามที่สุด เพราะฉะนั้นผมยินดีที่เห็นคุณแต่งตัวแต่งกายให้สะสวยเข้าไว้แววตาของหล่อนเป็นประกายพอใจและร่าเริงเอามือมาผลักที่อกเขาเบาๆฉันตายไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็รอดฟื้นคืนคงมาได้เพราะคุณช่วยเอาไว้ถ้าจะตายใหม่อีกก็ช่างมันเถอะและฉันดีใจที่คุณเข้าใจความรู้สึกของฉันตรงข้ามกับอาจารย์คีตและเชิดวุฒพวกนั้นหมั่นไส้ฉันเต็มประดา และด่าว่าฉันเป็นการใหญ่ที่เห็นฉันแต่งหน้าฉันก็เลยเอาหน้าของฉันมาให้คุณดูเพื่อจะดูสิว่าคุณจะพลอยดุด่าว่ากล่าวฉันบ้างไมแต่กลับปรากฏเป็นตรงข้ามขอรับรองว่าฉันจะพยายามทำตัวให้เป็นภาระสำหรับคุณหรือพวกคุณน้อยที่สุดจะระวังตัวเองให้มากที่สุดโดยไม่ต้องห่วงดีมากเบล ผมเชื่อว่าเหตุการณ์และวันเวลาที่ผ่านไปมันทำให้คุณเข้าใจอะไรอย่างแจ่มแจ้งและมีความทรหดอดทนขึ้นมาถึงระดับที่ผมพอใจขอบคุณอีกครั้งสำหรับบุรีคุณกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมได้แล้วเรามีเวลาอีกไม่เกิน20นาทีก็จะออกเดินทางไปบอกพวกคุณด้วยว่าเรากำลังจะเคลื่อนที่แล้วอนุญาตให้ฉันใช้ไรเฟิลประจาตัวได้แล้วหรือยังหลอนถามในขณะที่ดอเอ็ม แบบคอมมันโดที่ถือติดมือมาด้วยขึ้นไปสูงแล้วรับไว้อย่างคล่องแคล่วพร้อมกับชูให้เขาดูรอบครอบดีมากที่ถามเช่นนี้ในป่าถ้าปืนไม่ได้อยู่ในมือเราจะหาหลักประกันอะไรไม่ได้เลยจำไว้สำหรับวันนี้ตัวคุณเองจะรู้สึกได้ดีกว่าคนอื่นว่าจะมีมันติดมือติดไหล่ไปได้ไหมถ้าได้ก็ควรจะต้องเอามาไว้ประจาตัวแล้ว ขอทดสอบทางปืนปฏิบัติการของมันสักนัดสองนัดได้ไหมก่อนออกเดินทางเพราะทิ้งมันไปตั้งหลายวันแล้วตกลงไปบอกภากพวกคุณเสียก่อนว่าคุณจะลองยิงและผมจะบอกให้ฝ่ายผมทราบจะได้ไม่ต้องตกใจโดยนึกว่าเกิดอะไรขึ้นเบลเดินกลับไปยังภากพวกที่กำลังเตรียมตัวกันอยู่พูดบอกอะไรอยู่ครู่แล้วแสตนลี่ก็ตะโกนถามความเข้ามารัพพินโบกมือตอบเป็นเชิงรับรู้ แล้วร้องบอกไปทางคนของเขาทุกคนว่าจะมีการลองทางปืนพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายเมื่อทราบก็มายืนมุงดูอยู่ในขณะที่รพินก้าวตามเข้ามาเป็นคนสุดท้ายแม่ผมแดงยืดผ่านท้าย M16 ให้ยาวออกมาสำหรับเป็นที่ประทับไล่กระชากลูกขึ้นลำตั้งสวิตบังคับการยิงเป็นกึ่งอัตโนมัต แล้วประทับไหลเล็งไปยังยอดหินลนักษณะเป็นตุ่มโผล่สูงขึ้นมาเหมือนลูกมะพราะ้าวที่ใครเอาไปประดับไว้บนยอดห่างออกไปประมาณห0เมตรซึ่งสแตนร์ลีชี้ให้ดูทุกคนของฝ่ายนายจ้างยกกล้องขึ้นส่องจับดูอยู่รับหินยืนกอดอกห่างออกไปทางเบื้องหลังกลุ่มเล็กน้อยโดยมีบุญคำจนันเกิดและเสยเขามายืนดูอยู่ข้างๆเขา หล่นเลงอย่างรวดเร็วและลั่นไกลทันทีเสียงกระสุน 5.56 ม mm, มระเบิดแหลมสนั่นวันไว้ท่ามกลางความเงียบสงัดของสถานที่แวดล้อมยอดหินตำแหน่งนั้นปลิวแตกกระจายเป็นฝุ่นในพริบตาพร้อมๆกับเสียงระเบิดของกระสุนหล่อนยิงซ้ำติดต่อกันไปทันทีอีกนัดคราวนี้ตุ่มที่แตกบินไปก่อนถูกเด็ดยอดหักกระเด็นหายวับไปกับตาทั้งก้อน สเตนลีย์คีธและเชิร์ดวุฒปรบมือให้แกลลอนพวกลูกหาบทั้งหลายคลางหืมในลําคอส่วนตาเท่าบุญคําเอียงหน้าเข้ามากระซิบกับเขาเบาๆแมมเบลใช้การได้แล้วใช้ได้ทุกอย่างเลยนายแกเน้นคําว่าทุกอย่างจนรถพินชำระลึงหางตาทําให้แกถอยห่างไปพ่นรศมีเท้า เบลภายหลังจากทำกระสุนให้หมดสิ้นจากแมกซีนไปสองนัดหล่อนก็บรรจุให้เต็มอัตราใหม่อย่างคนที่ชำนาญต่อสถานการณ์แล้วจัด ก, การตรวจสอบปืนสั้นประจำตัวก่อนจะยัดลงซองข้างเอวความคล่องตัวฉับไวกลับคืนมาอีกครั้งภายหลังจากป่อแป้มาหลายวันจากการกรากรำหนักทำให้ความบึบบับในร่างกายของหล่อนลดลงกลายเป็นเพีวระหงหมดสิ้นไขมันส่วนเกิน ได้สัดส่วนงามยั่วยวนใจขึ้นอีกอักโขตะโพกลดเอวลดทรงอกบางลงกว่าเดิมแขนขาแกร่งประกอบไปด้วยกล้ามมัดเหมือนนักกีฬาหญิงเกือบจะใกล้เคียงกับรูปร่างของคริสติน่าซึ่งบัด น, นี้กลายเป็นลักษณะแทบจะเรียกได้ว่าผอมฉลูดเพราะแต่เดิมเป็นคนร่างสูงเพียวอยู่แล้วพวกเราพร้อมแล้วรพินหัวหน้าคณะฝ่ายอเมริกันร้องบอกเข้ามา ในขณะที่ผลัดกันรัดสายเครื่องหนังและผูกสายเชือกรองเท้าเดินป่าส่วนพวกลูกหาบทั้งหลายก็เก็บของเข้าหอเรียบร้อยขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ11นาฬกาซึ่งจัดว่าสายมากท้องฟ้าโปร่งใสแดดกระจ่างไปทั่วปราศจากเมฆหมอกและอากาศกำลังสบายพรานใหญ่ตรวจความเรียบร้อยอีกครั้งแล้วสั่งให้เคลื่อนที่ลงจากเนินของป่าหินอันเป็นที่พักแรม บายหน้าลงบริเวณที่ลาดต่ําอันเป็นทุ่งหญ้าอ น, นาบริเวณไม่กว้างไกลเกินไปนักโดยชี้ทางให้บุญคําซึ่งนําอยู่หน้าขบวนให้เบี่ยงพ้นจากบริเวณดงว้านผีปอบไปทางด้านตะวันออกอันมองเห็นแนวป่าทึบเป็นทิวขวางอยู่ซึ่งเมื่อมองจากที่สูงจะเห็นทิวเขาเทีมเมฆนั้นกั้นเป็นกําแพงลิบลบิอยู่เบื้องหลังประดุดฉากวาดช่วงแรกระหว่างที่ตัดผ่านทุ่งกันไป เขายังเดินในสภาพปกติรวมกลุ่มอยู่กับฝ่ายนายจ้างปล่อยให้บุญคำนำไปเบื้องหน้าก่อนพร้อมกับลูกหากเชิดวุฒิกระชั้นฝีเท้าเข้ามาใกล้และสะ ก, กิดเขาบุ้ยปากไปทางดงว้านผีปอบที่แลเห็นเป็นละเมอะอยู่เหมือนจะถามอะไรสักอย่างแต่พรานใหญ่กระซิบบอกว่าอย่าไปสนใจอะไรอีกเลยครับปล่อยเขาไว้อย่างนั้นแหละเรากาลังจะจากไปแล้วและเมื่อคืนเขาก็ไม่ได้มารบกวนให้ร้ายอะไรแกเรามากมายเกินไปนัก ทำไมเราไม่เผาทำลายมันเสียระเบิดเพลิงของไอ้พวกนี้สักสองสามลูกก็ไม่มีเหลือแล้วนายทหารหนุ่มถามมองดูพงไม้ประหลาดที่ผ่านไปนั้นอย่างไม่ค่อยจะสบายใจนักเสียเวลาเปลืองระเบิดเปล่าๆเราไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับเขาและเราก็ไม่ได้มาตั้งถิ่นฐานถาวร อ, อยู่ที่นี่ปล่อยไว้ประดับป่าดาอย่างนี้แหละครับ ถ้าพ้นรัศมีสักสามสี่กิโลเมตรเจ้าสิงร้ายๆที่สิงสถิตยอยู่ในพืชชนิดนี้ก็หมดฤทธิ์ที่จะมาตามรังควานเราได้อีกแล้วถ้าไปมัวกังวลกับสิ่งต่างๆที่เราผ่านพบเห็นเหล่านี้เราก็ไม่ต้องคืบหน้าไปไหนแล้วแก้ไขกันในปัญหาเฉพาะหน้าดีกว่าอะไรที่ไม่เป็นปัญหาก็อย่าไปเสียเวลายุ่งกับมันหวังว่าคุณคงไม่ระแคะระคายอะไรให้พวกนั้นรู้นะไม่มีใครรู้หรอกครับ ผมไม่ได้พูดอะไรกับพวกนั้นเลยในเรื่องดงว่านผีพวกนี้ดีวันนี้หนักหน่อยนะมีแรงเดินไหมสบายครับพี่กําลังผมอยู่ตัวแล้วและเชื่อว่าไอ้พวกนั้นก็เหมือนกันและถ้าเบลกลับมามีสุขภาพได้เหมือนเดิมแบบนี้แล้วพี่ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วสเตลลี่คี และอิาเบลก็สาวเท้าเข้ามารวมหมู่โดยคริสติน่าเดินทอดเท้ารัางท้ายเงียบๆอยู่ตามลำพังเบื้องหลังทิ้งระยะห่างออกไปประมาณสิเมตรวันนี้บุกเข้าไปในดงมืดนั่นใช่ไหมอเมริกันอาวุโสบุยปากไปด้านหน้าแล้วถามขึ้นครับเส้นทางเดินของเราก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละไม่ทุ่งโล่งก็ดงทึบบางทีก็ไต่อยู่บนสันเขาหรือใต้หุบเหว ถ้าผมคำนวณไม่ผิดอย่างช้าอีกสองถึงสามวันที่เราบุกดงทึบเข้าไปจะตัดออกที่ราบสูงและจะสูงขึ้นไปเป็นลำดับหวังว่าคงจะไม่ต้องไปประจันหน้ากับไอ้ช้างผีลงยกมาเป็นโคลงเพื่อทำสงครามกับเราอีกนะในดงทึบนั่นในคิดเอ่ยขึ้นเป็นเชิงขอความเห็นเพราะเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เราพ้นมนต์มืดของมันตรยแล้วคิดเพราะฉะนั้น เราก็ไม่ควรจะพบโขลงช้างผีลงอีกถ้าจะพบก็คงเป็นช้างป่าทั่วๆไปเพียงแต่ตัวมันอาจจะโตกว่าช้างที่นายเคยเห็นมาแล้วเท่านั้นซึ่งบางทีมันก็อาจหน้าหนักใจกว่าช้างผีลงของมันไตรซะอีกไรเฟิลจุสี่กระบอกที่เรามีอยู่นี่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนแล้วมันเล็กเกินไปสำหรับป่าในนรกดาแห่งนี้แต่ไม่เป็นไร ขอให้วิ่งเร็วๆไว้ก็แล้วกันอย่ามัวช้างุ่มง่ามอยู่นายกับฉันเอาเชือกว่าผูกติดเอวกันไว้ก่อนดีกว่าวะ่ะนายวิ่งไปทางไหนฉันจะได้ติดไปด้วยพันเอกแห่ง U.S.Army บอกมาเสียงอู้อีถ้าจะมีการผูกเอวติดกันแล้วก็ขอให้ฉันไม่โอกาสผูกกับระพินดีกว่าเพราะความจริงแล้วฉันอ่อนแอกว่าเพื่อนปืนที่ถืออยู่นี่ก็ยิ่งเล็กลงไปอีกเบลพูดเสียงใสอารมณ์ระเรื่น ไม่อาทรร้อนใจอะไรทั้งสิ้นเป็นตรงข้ามกับประโยคที่พูดชีวิตของพวกเราทุกคนยามนี้ก็เหมือนได้ผูกเอวติดกันไว้หมดอยู่แล้วครับไม่มีใครที่จะเอาตัวรอดไปได้ตามลำพังหรอกนอกจากต้องคอยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลาเบลคุณเรียกให้คริสขึ้นมาเดินรวมกลุ่มกับพวกเราดีกว่าอย่าให้เดินล้าหลังคนเดียวอยู่เช่นนั้นสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าว่าอาถรรพ์ร้ายแล้วก็ยังสู้นรกดาที่นี่ไม่ได้ ผมไม่อยากจะให้พวกเราคนใดคนหนึ่งต้องสูญหายไปอย่างปราศจากร่องรอยในกรณีที่หลับตาเพียงนิดเดียวขณะนี้คริสเดินอยู่ด้านหลังเราทุกคนและผมก็ไม่อยากจะเหลียวหลังไปดูอยู่ตลอดเวลากล่าวจบเขาก็เริ่มเร่งฝีเท้าขึ้นเป็นลาดับปล่อยคณะนายจ้างให้เดินเกาะมูเป็นขบวนมาเบื้องหลังในขณะที่ตนเองตามหลังบุญคาขึ้นไปอย่างรวดเร็ว และเกิดกับเสยทอดฝีเท้าลงมาเดินเป็นเพื่อนนายจ้างแทนเข้าใจว่าคงจะเป็นคำสั่งจากพรานใหญ่นั่นเองทิ้งคณะทิ้งปากช่องประตูผาอันเป็นตำแหน่งป่าหินไว้เบื้องหลังโดยเดินผ่านไปในทุ่งหญ้าสลับละเมะเตียเต้ยๆที่พื้นเปียกชุ่มไปด้วยฝนเมื่อหัวรุ่งนี้ และชั่วไม่นานนะักทั้งหมดก็มองเห็นรับพินเดินกวดหลังตามขึ้นไปทันบุญคำซึ่งทาหน้าที่ออกนำมาแต่แรกบ่าวนายทั้งคู่เดินเหมือนจะพูดจาหาหรืออะไรกันอยู่ครู่เดียวร่างอันเปรียวแกร่งเกรงนั้นก็ทิ้งบุญคำไว้เบื้องหลังอีกมองดูแล้วก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีอาการจ้ำเดินเร่งรีบอะไรนะักแต่ละฝีก้่าที่เหยียบพื้นนาตัวดุ่มดุ่มไปแสดูว่าเป็นการเดินปกติธรรมดาที่สุดลำตัวตั้งตรง อ้อมแขนซ้ายคอนกอดไรเฟิลประจำตัวไว้โดยมีปากลำกล้องเฉียงต่ําไปด้านหน้าเล็กน้อยไม่มีอาการเหลวกลับมามองด้านหลังหรือหันมองซ้ายขวาใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะายหน้าตรงดิ่งไปตามทิศทางเหมือนจะกำหนดไว้แน่ชัดก่อนแล้วรัพพินไพรวันทิ้งหางคณะทั้งหมดออกไปเป็นลำดับจนกระทั่งมองเห็นโดดเดียวอยู่เบื้องหน้าลิบๆออกไปคนเดียว ทิ้งระยะห่างประมาณ100เมตรเหมือนจะมีพลังพิเศษลึกลับอยู่ในฝีเท้าการก้าวย่างของเขาอาจไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในสภาพเดินเร็วชนิดที่ไม่อาจมีใครเดินตามเขาได้ทันชนิดนั้นราวกับว่าหนึ่งก้าวของเขานั้นจะได้ระยะทางเท่าๆกับบุคคลอื่นก้าวสัก19ก็ไม่ปานบัดนี้ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดเข้ามาเดินรวมกลุ่มอยู่กับลูกหาบ และพรานพื้นเมืองทั้งสี่คนแล้วและแม้จะมีความคุ้นเคยกับลักษณะการเดินได้เร็วเป็นพิเศษของรพินมาดีแล้วสักเพียงไรก็ตามแต่ก็ยังอดที่จะชะงนสนเทศใจเสียไม่ได้ต่างเฝ้าจับมองอยู่ทุกระยะและก็เห็นอยู่จะแจ้งตาเนื่องจากบริเวณพากันบ่ายหน้าไปนั้นยังเป็นบริเวณที่โปร่งโล่งสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดโดยตลอดปราศจากมุมบงัง สาบานว่าฉันไม่ได้เห็นเขาออกวิ่งเลยนะก็เห็นก้าวสวบๆไปตามธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ทำไมเวลาเขายังไม่ต้องการให้เราเดินตามได้ทันพวกเราเป็นเดินกระชันระยะเข้าไปใกล้เขาไม่ได้เลยแม้แต่สักครั้งเดียวเบลร้องอุทธร์ออกมาอย่างอ่อนใจและสุดประหลาดใจตาจับนิ่งไปยังร่างที่ทิ้งห่างออกไปไกลลิบนั้นพร้อมกับบุ้ยปากให้ทุกคนซึ่งกาลังเร่งฝีเท้ากันอยู่เต็มที่ จนเหงือเริ่มผุดซึมดูไปยังเป้าหมายอืมมันแปลกเป็นไปได้ไหมที่เขาสามารถซอยเท้าได้เร็วกว่าเราโดยเราก้าวกันไปได้หนึงก้าวแต่เขาสามารถจะก้าวไปถึงสามก้าวแล้วแซนลี่พึมพำออกมาด้วยความชงโวนเช่นกันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพวกเราก็เดินกันเร็วอย่างเต็มที่อยู่แล้วถ้าเราก้าวและไอ ห, หมอนั่นก้าวสสภาพของหมอจะเหมือนวิ่งเหาะ แต่ที่เห็นอยู่นี่หมอก็เดินไปในลักษณะธรรมดา น, นั่นแหละไม่มีอาการว่าจะวิ่งเลยแล้วว่ากันที่จริงขาของหมอก็ใช่ว่าจะยาวอะไรนะักสั้นกว่าพวกเราเสีย อ, อีกคิดบอกมาพร้อมกับโครงหัวช้าๆคงมีคริสตินากับเชิดวุธสองคนเท่านั้นในกลุ่มที่ไม่วิพากวิจาร์อะไรในเรื่องนี้คงเดินไปด้วยอาการปกติ เพราะสิ่งประหลาดๆที่ไม่อาจหาบทพิสูจน์ได้สำหรับมักคุเทศนำทางนามว่ารพินไพรวันผู้นั้นทั้งคู่ตระหนักซึมซับดีอยู่แล้วไม่ประสงค์จะตั้งเป็นแง่ขบคิดหรือสงสัยใดๆอีกต่างยอมรับอยู่ในใจเงียบๆมานานว่าคนคนนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ลึกลับพอๆกับสภาพป่าที่แวดล้อมป่วยการที่จะไปพิเคราะห์สแสวงหาคาตอบใดๆ ออกมาให้เป็นที่กระจางได้ขณะนั้นตาเท่าบุญคำก็เดินยิ้มเพลประกบใกล้แม่มผมแดงเข้ามาและทักทายพูดจาตามประษาของแกวันนี้แม่มเบลแข็งแรงดีเหมือนเดิมแล้วนาะบุญคำดีใจพอนาขออย่าให้แม่มต้องเจ็บป่วยอะไรขึ้นอีกเลยอาบน้ำสบายตัวกันไปเมื่อหยกๆกนี่เองเหงื่อจะท่วมตัวกันอีกแล้วพวกเจ้านายทั้งหลายไม่ต้องรีบร้อนอะไรนักรอก เดินกันไปตามสบายก็แล้วกันบอกแค่นั้นแล้วแกก็หัวรออย่างอารมณ์ดีทำท่าจะแยกไปเดินกับลูกน้องอีกสามคนที่ตามมาทางเบื้องหลังแต่เบลคว้าแขนไว้ก่อนบุญคาวันนี้ฉันแข็งแรงดีที่สุดแล้วเรามาทดลองอะไรกันสักอย่างได้ไหมสีหน้าของเบลยิ้มแต่หางเสียงหนักแน่นจริงจังตาคาทาตาปริบๆมองหน้าลองอะไรเรอแมมเราสองคนฉันกับบุญคา พยายามกวดตามในพรานใหญ่ให้ทันบุญคำนำฉันไปหน่อยสิแม้จะต้องออกแรงวิ่งก็เอารับรองฉันวิ่งตามบุญคำได้ตาเท่าจอมสับประดกมือขวาของรัพินลืมตาโตฮแห ม, มจะให้ไอ้คำพาวิ่งตามนายรับพินให้ทันใช่ฉันอยากจะลองตามเขาให้ทันดูในบริเวณทุ่งโล่งนี่แหละและถ้าตามทันแล้วฉันจะดูเขาใกล้ๆอีกครั้งว่าเวลาเขาเดินทิ้งผะไปนั้น เขาก้าวเดินยังไงพวกเราถึงซอยเท้าตามเขาไม่ทันมันไม่มีอะไรมากหรอกบุญคําเพียงแต่ว่าพวกฉันสงสัยกันมานานแล้วว่าเจ้านายของบุญคําเขาเดินยังไงพวกเราถึงเดินตามไม่ทันสักทีวันนี้ขอให้เห็นชัดๆสักครั้งเถอะฮิโทแมมตาคาร้องเสียงยาวแล้วจูปากลั่นออกมาทำไมแหม่มถึงมีความคิดพิเรนอย่างนี้นะไม่มีประโยชน์อะไรสักนิด ที่ใครจะคิดไปเดินหรือวิ่งกวดนายรพินให้ทันในเวลาเดินป่าแมมคริสก็เคยพยายามมาหลายทีแล้วในห้างคิดในห้างบ็อบหรือในาทหารเชิดวุฒก็เคยพยายามกันมาแล้วทั้งนั้นและมีใครตามนายรพินทันมั่งไหมถ้าแกไม่หยุดรอแกไม่หนีไปไหนหรอกรเดี๋ยวแกก็ไปหยุดรออยู่ริมดงทึบข้างหน้าโน่นเองนั่นแหละเบลขมวดคิ้วอย่างพิศวงใครจะเคยลองมายัางไงแล้วก็ช่างเถอะ แต่ฉันยังไม่เคยลองสักทีฉันอยากเห็นอย่างที่บอกแล้วนั่นแหละจะขอดูขาเขาหน่อยว่าเขาเดินยังไงถึงเร็วกว่าเราทั้งที่เขาก็ไม่ได้วิ่งและขนาดความยาวขาของเขาก็ไม่ได้มากไปกว่าพวกเราเลยตัวเล็กนิดเดียวเท่านั้นหลอนยังคงยืนยันความตั้งใจเดิมอยู่เช่นนั้นคริสหัวเราะหึห่พยักหน้าบอกบุญคำว่าก็ให้แหมมเบลเขาลองดูหน่อยสิบุญคาเอาเลย พาเขากวดตามเจ้านายบุญคําไปให้ทันคราวนี้บุญคําหัวรอกกากออกมาจ้องมองดูแม่ผมแดงอย่างสมเพชระคนขำขันบุญคําจะบอกอะไรให้เอาบุญนะแมมเบลในป่าแล้วถ้าแกไม่หยุดรอไม่มีใครเดินตามแกทันหรอกอย่าว่าแต่พวกแมมเลยขนาดพวกบุญคําเองยังตามแกไม่ทันถ้าแกไม่ยอมให้ทันถึงแหม่จะวิ่งตามแกไปทันเดี๋ยวนี้ พอไปเดินตีคู่กับแกเดี๋ยวแกก็ทิ้งห่างออกไปอีกแล้วก็ต้องวิ่งตามกันลิ้นห้อยอีกแม่มจะวิ่งไล่แกสักกี่ครั้งประเดี๋ยวก็หมดแรงเท่านั้นทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเวลกับสเตลลี่และทุกคนในฝ่ายนายจ้างเริ่มชะ ง, งนให้ความสนใจในคําพูดของบุญคำและถามมาเป็นเสียงเดียวบุญคำทำสีหน้ายุ่งยากลาบากใจยกมือเกาหัวอันหยิกไปด้วยเส้นผมขอดของแก แล้วหันหน้าไปมองดูเชิดวุฒนายทหารพอจะอธิบายให้ฝรั่งพวกนี้รู้ได้ไหมว่าทำไมบุญคำถึงว่าอย่าไปคิดเดินตามตีคู่นายรพินเสยให้ยากถ้าตัวแกเองไม่หยุดรอฉันคงไม่รู้ดีไปกว่าบุญคำหรอกบุญคำบอกเขาไปเถอะถ้าพวกเขาฟังไม่เข้าใจยังไงแล้วเดี๋ยวฉันจะอธิบายอีกทีหนึ่งก่อนอื่นบุญคำต้องเข้าใจก่อนนะว่าพวกนี้เขาสงสัยในเรื่องที่ว่า เจ้านายของบุญคำก็ไม่ได้มีขายาวอะไรเป็นพิเศษและเวลาเดินก็เห็นก้าวเดินไปเรื่อยๆดูไม่เห็นว่าวิ่งหรือเร่งร้อนอะไรผิดปกติแต่พอเดินเดินอยู่ด้วยกันเขาก็เริ่มทิ้งพวกเราห่างออกไปทุกทีซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจเหมือนกันเป็นเรื่องลึกลับด้วยบุญคำอมลมในปากจนแก้มป่งแล้วเป่าพูออกมาฟามจริงไม่มีใครเข้ามาคิดสงสัยอยู่ในเรื่องนี้เลย เวลาเดินป่ากับนายรพินก็มีแต่พวกเจ้านายคณะนี้แหละแปลว่าช่างสังเกตช่างจับกันเสียจริงเอาละ่ะไอคำอธิบายอะไรไปเดี๋ยวจะหาว่าโกหกเพราะไอคำมันกระล่อนอยู่แล้วพวกเจ้านายก็รู้เดี๋ยวจะเรียกให้ไอจัน์มาอธิบายเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ฟังจากมันก็แล้วกันกล่าวจบแกก็กวักมือเรียกจันผู้เดินร่วมกลุ่มอยู่กับเกิดและเสยให้เข้ามาใกล้ และอธิบายให้ฟังว่าพวกอเมริกันเหล่านี้สงสัยเรื่องอะไรแล้วว่าเอา้าเองอธิบายให้นายห้างทั้งหลายเขารู้หน่อยสิว่าทําไมถึงไม่มีใครเดินตามนายระพินได้ถ้าแกคิดจะไม่ให้ตามทันซะอย่างจันทร์ทําหน้าเพิ่งจะเข้าใจในเรื่องที่ถูกเรียกเข้ามาแล้วมองไปยังบรรดานายฝรัง่งทั้งหลายทีละคนถ้าจันบอกแล้วเจ้านายทั้งหลายเขาจะเชื่อเหรอ เอาเอเชื่อไม่เชื่อเองก็มีภาษีกว่าข้าไอ้ข้านีะ่ะเจ้านายเขารู้ว่าเป็นคนช่างตอหลบตอแหลอยู่แล้วข้าบอกมันก็ไอแค่นั้นพอเองบอกแล้วถ้าใครยังสงสัยเดี๋ยวข้าจะเอาไปพิสูจน์เองบุญคำพยักหน้าบอกจันในป่านายรับินไม่ได้เดินอย่างคนธรรมดาเดินกันจันเอ่ยขึ้นด้วยน้าเสียงเรียบๆสีหน้า ป, ปกติ ท่ามกลางทุกสายตาที่มองจับนิ่งมายัางมาอย่างตั้งใจฟังแม้แต่คิดผู้ไม่สันทัดในภาษาไทยแต่แกเดินด้วยวิชาอาคมเดินด้วยคาถาย่นระยะทางสายตาทั่วไปจะมองเห็นว่าแกก้าวปกติธรรมดาไปเพียงก้าวเดียวแต่มันกินระยะทางไกลกว่าคนธรรมดาเดินมากนักไม่ต้องวิ่งแต่เดินเพ่งจิตภาวนาไปเหมือนการก้าวธรรมดานี่แหละ แต่เส้นทางที่แกจะก้าวเดินไปนั้นมันจะถูกย่นสั้นเข้ามามันเลยดูเหมือนกับว่าแกเดินได้เร็วเดินได้ไกลกว่าคนอื่นๆคนที่จะเดินตามทันแกได้จะต้องมีวิชาอาคมอย่างเดียวกับแกไม่เช่นนั้นเดินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันทันแกหรอกเว้นแต่แกจะหยุดรอวิชาเดินป่าด้วยการย่นระยะทางเช่นนี้ทําให้แกสามารถจะเดินไปได้ถึงทุกผนทุกแห่งภายในป่าเพรเท่ากับเป็นการตัด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 มันเป็นวิชาการของพรานใหญ่ที่ใช้เวทมนต์คาถาอาคมชั้นสูงเข้ามาเป็นเครื่องช่วยไม่เช่นนั้นแกก็จะไม่สามารถนำบุกไปจนถึงเทือกพระศิวะได้หรอกคนเราเดินด้วยเท้าเปล่าจะไปไกลสักขนาดไหนถ้าไม่ใช้วิชายยนตัดระยะทางเข้ามาช่วยแบบนี้พวกเจ้านายไม่รู้มาก่อนคิดจะไปเดินตีคู่ให้ทันแกในขณะที่แกใช้อาคมโยนระยะทางอยู่แบบนี้ เดินให้ตายก็ไม่มีวันตามแกได้ทันเป็นวิชาอาคมของพระธุดงที่ใช้เดินป่าข้ามเขตแดนตัดขุนเขาได้เป็นเทือกเือบางทีก็เดินข้ามประเทศเลยฝ่ายอเมริกันทั้งหมดแม้จะพยายามตั้งใจฟังอยู่แต่ก็ยังไม่อาจกระจ่างชัดอะไรนักมองไปทางเชิดวุธเมื่อนั้น นายทหารหนุ่มจึงแปลกลับเป็นภาษาอเมริกันเพื่อให้พวกนั้นได้เข้าใจตามข้อความที่จันพูดทุกประโยคทุกถ้อยคำวอตเป็นไปได้หรือคิดสแตนลีย์และเวลร้องเสียงสูงขึ้นพร้อมกันคนของเขาบอกมาอย่างนี้ละครับด็อกเตอร์เชิดวุดกล่าวต่ำๆหนักแน่นตัวเขาเองอยู่ในภาวะตื่นเต้นงงงันไปด้วยเช่นกันเรื่องนี้เราจะพิสูจน์กันได้ง่ายนิดเดียว วิทยุบอกไปให้เขาหยุดรอพวกเราที่ต้องการพิสูจน์เพื่อให้เดินตามไปให้ทันเขาก่อนแล้วออกเดินพร้อมๆไปกับเขาโดยอนุญาตให้เขาเดินอย่างเต็มที่อย่าบอกให้เขารู้เสีย ก, ก่อนว่าเราต้องการพิสูจน์อะไรแล้วดูซิว่าเมื่อเดินไปด้วยกันแล้วพวกเราที่ไปเดินคู่กับเขานั้นจะเดินตามเขาได้ทันไหมและเขาจะเดินทิ้งเราไปอีกไกลสักเท่าไหร่อย่างที่เบลต้องการจะพิสูจน์เมื่อกี้นี้แหละ สเตลลี่และคิดผิวปากยาวตาจับมองคันมิงไปยังร่างที่เห็นเดินอยู่ดุ่มดุ่มเบื้องหน้ารักษาระดับห่างหนึ่งเมตรเช่นเดิมนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจขีดสุดเฮ้ย hey, แบบนี้ก็ซูเปอร์แมนแล้วคนธรรมดาเสียเมื่อไหร่นายคิดโวยวายขึ้นแล้วนายคิดว่าคนคนนั้นเป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างพวกเราเรานี่หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เขาเดินอยู่ในอาณาจักรป่าดงพงไพรแบบนี้ นายไม่เคยเห็นสิ่งที่มันพิเศษเหนือมนุษย์ปุถุชนนับไม่ถ้วนที่เขาได้แสดงให้ปรากฏชัดโดยที่ตัวเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่เคยเลยหรือถ้าคนคนนั้นไม่มีคุณลักษณะพิเศษผิดมนุษยท์ทั่วไปเช่นนี้คอมพิวเตอร์ของพวกนายก็คงไม่ดีดชื่อของเขาออกมาในฐานะพรานนาทางที่เหมาะสมที่สุดหรอกงานเดินป่าหาซากอับปางของ B52 หํานั้นและระเบิดสิบ เมกกะตันลูกนั้นไม่ได้ต้องการคนที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดนี้หรอกหรือเพราะเขามีลักษณะอันเป็นซูเปอร์แมนแบบนี้นะสิพวกนายทั้งหมดรวมทั้งฉันด้วยถึงได้ต้องมาเดินตามหลังเขาอยู่อย่างนี้แทนที่จะหาสร้างเครื่องบินตกทางอากาศอย่างที่ควรจะเป็นไปหนวยเหนือของพวกนายก็ย่อมตัวหนักดีอยู่แล้วจะต้องมามีอาการพิศวงตื่นเต้นอะไรอยู่อีกเมื่อเราค่อยๆตรวจพบมาเป็นลำดับว่าเขา มีคุณสมบัติที่เหนือคนทั่วไปอย่างไรบ้างเชิดวุฒิกล่าวแก่คนเหล่านั้นอย่างเต็มไปด้วยความมั่นใจและเยาะหยันในความรู้สึกอันแสดงออกไปในด้านสงสัยไม่อยากจะศรัทธาเชื่อถือนัก